วิธีลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอุกเขปนิยกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุชื่อฉันนะครั้นแล้วให้ภิกษุชื่อฉันนะให้การแล้วจึงปรับอาบัติ ครั้นปรับอาบัตแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุชื่อนนะ เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโภกกับสงนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิษุชื่อชนะนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ปราถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัติสงลงอุเขปนิยกรรมแก่พิษุชื่อันะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโภกกับสง ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุกเขปนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อชนนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโภคกับสงฆ์ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อันะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตสงลงอุคเขปนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตห้ามสมโพกกับสง์ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุกเขปนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อนนะ เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโภคกับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติสงลงแก่ภิกษุชื่อฉันนะแล้วห้ามสมโภคกับสงสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต่อๆไปว่าภิกษุชื่อฉันนะถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโภคกับสง